ขอความเจริญในธรรมจะงมีแต่ท่านผู้ฝังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาถึงข้อของตัณหาคำว่าตัณหานั้นก็คือสภาพจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอย่างในพระบาลีทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากแต่ถ้าเรากราวโดยสรุป ปตนาจะมีสามลักษณะหรือแสดงออกมาในสามลักษณะแล้วก็สิ่งที่จิตดิ้นรนทเยอทยานอยากนั้นก็คือสิ่งที่ผ่านมาทางวัะสาสัมผัสทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาท่านเรียกสิ่งที่จิตมันดิ้นรนทะยอทยานอยากท่านก็เรียกว่ารูปปตานหาเป็นต้น จะหมายความว่าจิตดิ้นรนทะเยอทยานอยากได้ในรูปซึ่งจิตไปกำหนดว่ามันสวยงามเดี๋ยวกลักษณะเหล่านี้บางทีก็อาจจะพบว่าท่านแสดงให้เห็นที่มีความประนีตลึกซึ้งขึ้นไปโดยลำดับจนพูดถึงการมาตหารูปตันหารูปตันหารูปตันหา กนนี้ถือว่าเป็นปริยายหนึ่งหมายความว่าจิตดิ้นรนทเยอทยานอยากได้ในกามคำว่ากามในที่นี้หมายถึงวัตถุที่จิตกำหนดว่าหน้าใครเขาเรียกวัตถุ ก, กามแต่ประการที่จิตกำหนดได้อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าภายในใจมีกิเลสการอยู่แต่ใจเราไม่มีกิเลสมันก็ไม่กำหนดอย่างนั้นนะ ตอนนี้ลองสังเกตว่าคล้ายๆกับว่าคนเขามายกย่องเราด้วยภาษาซึ่งเราฟังไม่รู้เรื่องเราไม่ยินดีหรือคนมาด่าเราด้วยภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องเราก็ไม่โกรธอะไรนั่นแสดงว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเนี่ยคือพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็อยู่ท่ามกลางแสงสีอันวิจิตรงดงามเหล่านั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะเราเมื่อไร แต่ท่านไม่มีปัญหาที่ข้างในทีนี้ถ้าเราลองเทียบเคียงดูว่าเราเองนี่ทำได้ไหมในปางเรื่องเนี่ยก็ต่อบว่าทำได้เช่นสมมติว่าเด็กเราเห็นเด็กแกเล่นฝุ่นเล่นตุ๊ ก, กตากันเล่นขายของกันดูที่เราเกิดตัณหาอยากจะเล่นด้วยไหมไม่มีนอกจากว่าใครจะแรือเป็นเท่าทารกขึ้นมาสักคนก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าโดยธรรมชาติจิตแล้วในวุทฒิภาวะมันสูงเกินที่จะไปคิดอย่างนั้นเพราอนตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายมันเป็นเรื่องของความเข้มข้นของกิเลสหมายความมาตัวเข้มข้นจริงเนี่ยคืออวิชามันทําให้พวกนี้เข้มข้นต่างหมายความมาถ้าอาวิชามากเนี่ยความเข้มข้นก็จะมากมันก็เหมือนกับอะไรนะะ เหมือนกับบางครั้งบางคราวเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าคนดูมวยเนี่ยแล้วบางทีในคนดูมวยน่ยถือมวยคนละมวยคนละคนกันแล้วก็ทะเลาะกันเองแล้วถ้าเราส ง, งบใจถามมาทะเลาะกันเรื่องอะไรอ๋อเรื่องมวยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเขาแพ้หรือเขาชนะนี่เราได้ประโยชน์อะไรมไม่เกี่ยวอะไรเลย นั่นก็แสดงว่าถ้าวิชามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นลดตัณหาเองคือเหตุผลสติปัญญาตามมาเนี่ยแล้วก็จะลดอาการกตัณหาได้แต่ว่าถ้าตราบใดที่อวิชชาคือความมืดบอดนี่แหะเหตุผลสติปัญญาเรายัางมีมากอยู่ยปีจกายตัณหามันก็กระจายตัวเองออกไป และบางทีก็รูปปัญหาคือความทะเยอทะยานอยากได้ในรูปแต่รูปก็คือสิ่งที่ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งหจนถึงกับรูปที่มันประณีตนะอยากได้เป็นเทพธิดาเท พ, พ บ, บุตรสวงสวรรค์วิมานพรหมโลกอะไรแต่ล ะ, ะไปกันเรื่อยๆบางทีก็เป็นอรูปปัญหาคืออยากได้ในส่วนที่เป็นนามธรรมเป็นสุขเวทนาจนถึงอรูปประชานนะอยากได้ไปเรื่อยๆเหมือนกัน แต่พวกนี้ยังไงมันก็ดีหน่อยนะฮะคือว่าคุณภาพจิตประนิคิดเพราะว่าตัณหาเนี่มันเป็นเครื่องอาศัยเราแสดงไม่ว่าตัณหานิ่สายตัณหาปะหาแต่ปะตัณหานั้นอาศัยตัณหาแล้วก็ละตัณหาเพราะตัณหาบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับยานพาหนะเหมือนกับเครื่องบินเหมือนกับอะไรเนี่ยนะฮะคือเราต้องอาศัยเขาอ่ะแต่ว่าพอถึงจุดหมายปลายทางเราก็ต้องลงจากเครื่องบิน เราไปนั่งอยู่บนเครื่องบินไม่ได้แต่สมัยโบราณเนะี่ยท่านอุปมาเหมือนกับแพคือสมัยโบราณเนะี่ยดูง่ายนะแพเนี่ยเรือข้ามฟากหรือว่าแพที่ข้ามฝั่งสมคนขึ้นฝั่งเนะี่ยกระตับใดที่เริงอยู่ในแม่น้ำอยู่ในลาคลองเราก็ต้องอาศัยแพแต่พอขึ้นเราก็ต้องทิ้งแพถ้าไม่ขึ้นมันก็ทิ้งไม่ได้ เนันพวกพวกเหล่านี้บางตอนเราจึงพบว่ามีลักษณะเป็นเครื่องอาศัยเพราะว่าตัวเขาเองเป็นกิเลสประเภทสร้างที่มันยุ่งเนี่ยคือตันหามันเข้มมากไปที่อาารบอกว่าอันอันตันหาพายุ่งของนงขิงเพราะแย่งชิงสีดามาราศีตรงรบราข้าวฟันลัดโลกีเนี่ยคือเรื่องรามันเกียรตินเราลองดูยุ่งยุ่งเนี่ยมันเรื่องตันหาของทศกัณฐ์ ยักษ์เพียนๆตนเดียวยุ่งกันบปหมดเลยแต่ถ้าทศกาณ์แกบันเข่าตัณหาหรือว่าปัญญาแกเพิ่มขึ้นน่หรือว่านางสีดาแกคือลูกสาวตัวเองเนี่ยและแกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่นี้ก็คือสภาพจิตที่มันถูกกลุ่มรุมหรือถูกปิดบังไว้ด้วยอวิชชาเราทำให้ตัณหาท่านเข้มแข็งเข้มข้นขึ้นนะเข้มข้นขึ้น แล้บางทีก็อธิบายในรูปลักษณะรูปปัญหารูปปัญหาในโรตัญ ห, หาก็แสดงว่าอยากนิพพานเนี่ยก็เป็นตัญหาด้วยนะนี้ท่านอธิบายไว้ในสังกิติสูตรปาติกวัติกรณิกายนะเพราะฉะนั้นอยากไปนิพพานก็เป็นตัญหาแต่ว่าเมื่อถึงนิพพานก็ต้องทิ้งตัญหาก็อยากก้าๆก็อยาก ข, ขึ้นฝั่งจนะมีคนก็เคยถามว่าอยากไปนิพพา น, เ, นเป็นตัญหาไหมก็ถามในหลักสูตรนธรรม เพาที่จริงก็เป็นตัณหาด้วยกันเพียงแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือในการอาศัยแล้วก็อีกในยะหนึ่งที่เราคุ้นคุนเนี่ยคือจำแนกตัณหาออกไปเป็นสามประเภทก็เรียกว่าการมาตนาเพราะว่ตัณหาพิภวะตัณหาเนี่ยคำว่ า, าการมาตหาก็คือแปลว่าอยากได้อะะอยากได้อะไรอยากได้รูปเสียงกลิภภ่นรสผลิภัณฑ์ ธรรมารมที่ใจกำหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรานาน่าพอใจแล้วก็ภาวะตัณหาเนี่ยความอยากเป็นทีนี้มันลึกนะฮะพวกพวกนี้ที่จริงลึกมากาการจะไปลากเขาได้เนี่ยบางทีต้องไปเยอะเลยต้องไปบัตรไปเยอะเลยให้เราลองสังเกตว่าแม่แต่ว่าพวกสังโยนที่มันประนีตเนี่ยพวกรูปราคารูปราคา ราคาอย่างละไม่ได้เลยเพราะในภาวะตัณหานี่มันมนถึงจุดหนึ่งมันก็คือพวกรู ป, ป ร, ราคาอยู่ด้วยหมายความว่าจิตมันไปเรื่อยไปเลยนะฮะต้องการเป็นใหญ่ในภพนั้นภพนี้ก็ตกลงว่าต้องการหมดทั้งสามภพเลยการมาภพรูปภพอรูปภพเนี่ยต้องการเป็นต้องการเป็นพรหมต้องการเป็นเทพต้องการเป็นอรูปภพ ก็ว่าเปเรื่อเพราะตามปกติพื้นฐานของคนที่มากไปด้วยภาวะตนาหรือภาวะทิฏฐิมันจะมีอาการของสัตตะทิฏฐิอยู่ลึกๆคือเข้าใจว่าสภาวะเหล่านั้นเทียงแทน้แน่นอนแล้วก็ปรารถนาที่จะได้สถานะอย่างนั้นสภาวะอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกเป็นสุขที่ได้สภาวะอย่างนั้นซึ่งถ้าหากว่าท่านเข้าใจ ท่านศึกษาท่านพยายามทำความเข้าใจท่านเข้าใจแล้วเนี่ยว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่อนอนพวกนี้มันจะลดเองฮะเพราะในอาการที่ใจที่ขว่ายควา้าที่ปรารถนาความเป็นต่างๆยอย่างท่านเล่าถึง ชื่อว่าติดสะหรือวีตโศกนะฮะคือคือชื่อท่านอยู่สองชื่อเป็นพระนุชาของพระเจ้าอโศกท่านมีความรู้สึกว่าการเป็นพระชาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันสนุก ม, นมันสบายมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นพระสงฆ์เนี่ยไม่เห็นได้เรื่องอะไรแต่ว่าพี่ชายของท่านเกียระเจ้าโสมเนี่ยไปทธนุบำรุงมามากมายไกลกองสิ้นเปลืองราชทรัพย์ ในได้ประโยชน์อะไรพระเจ้าอโศกก็ ท, ทําทีเป็นกิ้วนะะต้องการสอนพระอนุชาบางอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันให้เธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีข้อแม่นะเป็นเจ็ดวันเธอสวยเสวยสุขได้เต็มที่เลยทําอะไรทําได้เต็มที่เลยแต่วันที่แปดเนี่ยจะฆ่าจะเลย ปรากฏว่าท่านบีโตโศกหรือท่านติสสะเนี่ยอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานตลอดระยะเวลาเลยนับวันตายใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะพอครบเจ็ดวันก็รับสั่งถามเป็นไงสบายดีแม่เป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยสบายดีไหมทการบอสบายอะไรคิดแต่ความตายตลอดระยะเวลาเลยพระเจ้าโศกในท่านศรัทธาพระมากท่านมองภาพพระในแนวที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากน ท่านบอกว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นและที่น้องไปคิดว่าท่านอยู่สบายสบายกินๆ น, นอนๆไม่ต้องทำอะไรเนะี่ยที่จริงท่านอยู่ด้วยมนุษยการดึงกรมาารมฐานท่านอยู่โดยมรณสัญญาคือกําหนดถึงความตายที่จะเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะมันไม่ได้สุขสบายอย่างที่น้องคิดเหมือนกับที่น้องสเสวยราชนั่นแหละก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดค่าอะไรหรอกแต่ว่าท่านวีทโศกและท่านติสระนี่ก็ขอลาบวช บวชแล้วปรากฏว่าไม่นานก็บําเพ็ญเพียรบรลุมรคผลเป็นพระหั น, นะนั่นไม่คืออะไรก็ ค, คือว่าเป็นการมองเข้าใจเข้าใจสับสนในประเด็นเนะี่ยอันเนี้คือคือกลายเป็นอะไรเป็นไม่เห็นนิจจังไม่เห็นอนิจ จ, นน จ, จตาเกิดเหมืนความไม่เที่ยงก็ เ, เรียกว่าเป็น เป็นนิตจัสัญญากำหนดหมายเป็นของเชี่ยงหรือว่าคิดว่าเป็นของเชี่ยงหรือเห็นว่าเป็นของเที่ยงก็แล้วแต่มันก็ออกมาในแนวตรงนี้ทีนี้ตำแหน่งความเป็นอะไรต่างๆเนะี่ยแม้ดอกไม้ทิพย์ยังร่วงจากสวรรค์เท้าสาก่าอย่างจุติพรหมพรหมอย่างจุติเลยมันไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่าง ไม่มีอะไรเที่ยงนะฮะทราบใด้ทยังเป็นตังขาดไม่มีอะไรเที่ยงทีนี้วิภาควาลถาเนี่ลองสังเกตว่ามันมีอาการของของโทสะอยู่แต่ถ้าเรามองถึงสภาพจิตเนะี่ยฮะมันมันจะคล้ายๆกับสอนคล้ายๆกับความโลภเนะี่ยฮะมันก็ใกล้ๆอยู่กับความโกรธพร้อมที่จะโกรธนะฮะความโลภเนี่ยพร้อมจะโกรธพร้อมจะโศ ก, กให้เราสังเกตดู เชสมมติเราอยากได้อย่างใดอย่างหนึน่งแล้วไม่ได้นะเราไม่มีกำลังที่จะไปยึดกลุ่มสิ่งเหล่านั้นมาไว้ไปในครอบครองจะโศกจะเสียใจทีนี้เราก็อยากได้แต่ว่ามีคนอื่นมาแย่งออกไปจะโกรธเห็นฮนะพร้อมจะโกรธ เพราะว่าพวกนี้มันมันเป็นอาการของโทสะที่ชัดแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นฐานจิตเนี่ยมันลึกมันจะออกไปในแนวอย่างหนึ่งคืออะไรที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็ต้องการมันข า, ขาดศูนย์ทำลายไปจนกลายเป็นประเภทอุเฉศทิฐิคือความเห็นว่าขาดศูนย์ซึงก็กลายเป็นปัญหาโลกกัอนอยู่ใน ป, ปัจจุบันเนี่ยไอ้ลองสังเกตว่าวิธีคิดของสังคมเนี่ย การคิดเรื่องชีวิตหลังตายเนี่ยมันจะมองแนวหนึ่งแนวใหญ่เนี่ยสองแนวแนวหนึ่งก็สัสธรทิฏฐิคือคนเราตายแล้วตายจากอะไรก็จะเกิดเป็นอย่างนั้นไม่มีการแปรผันอีกแนวหนึ่งก็ถือว่าแปรผันพวกนี้จะแยกออกเป็นสองกลุ่มแล้วจะมีรายละเอียดอีกเยอะแต่แนวหนึ่งเนะี่ยถือว่าตายแล้วศูนย์เลยตายแล้วขาดศูนย์ไปเลย ทีนี้ก็สามารถย่อยไปอีกว่าบางอย่างก็สูญบางอย่างก็ไม่สูญแล้วก็มีไป อ, อีกเป็นอันมากก็สรุปว่าอทิฏฐิใหญ่เนะี่ยมันจะมีสองทิฏฐิคือสัจจะทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดภาวะตัณหาตัวลึกนะฮะตัวลึกที่อยู่ลึกๆและอุเฉตทิฐิเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดวิภวตัณหาคือไม่พอใจไม่ยินดีไม่ต้องการต้องการในพินาศต้องการจะทำลายต้องการจะสูญเสียไป ก็หมายความมัต้องการอย่างอื่นเห็นไหมฮะเพราะวาตัณหาก็เหมือนกันนะต้องการงานงานงๆนงางานคือไม่ต้องการอย่างอื่นตรวเงินข้ามคือไม่ต้องการอย่างอื่นถ้าเ้าส่งอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการมาให้เราก็กลายเป็นวิภาวะตัณหาทันทีจรลักษณะของตัณหาเราเนี่ยพอกระกจายออกไปก็อย่างที่บอกแล้วมันก็ออกไปตามลักษณะอารมณ์ที่เราสัมผัสเพราะสิ่งที่ กระตุน้นในเราเกิดตัณหามันจะมีอยู่หกประเภทแต่นั่นเองแต่ปัดปัญหาสําคัญมันอยู่ประเภทไหนทีนี้ทั้งหกประเภทเนี่ยมันเป็นสาภาวธรรมทั้งหมดเมันเป็นอย่างที่มันเป็นน่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็ไม่มีอะไรเรารักธนุธนอมห่วงแขนยังไงก็ตามถึงคราวตายก็ตายไปตามกัน ถึงคราวแตกก็แตกไปตามการถึงคราวป่วยก็ก็ป่วยไปตามการก็เขาเป็นเหตุปัจจัยของเขาแต่พอเราคว้าเขาแล้วเราก็ไปเกณฑ์ให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นพอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราก็เดือดร้อนเพราะมันเปลี่ยนแปลงเดือดร้อนเพราะการพลาดจากเดือดร้อนเพราะการสูญเสียเดือดร้อนเพราะไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาเมื่อเราสังเกตพวก พวกกิณกะทุกที่เราโซเกหิไปเดเบหิที่เรา ส, ดสวดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่สืบเนื่องมาจากความรักเช่นความโศกก็คือสิ่งที่เรารักใคร่ปรารถนาพอใจต้องการเนี่ยเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นหรือได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วนะแต่เมื่อเกิดเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนที่รักตายไปของที่รักแตกทำลายไปมันก็เกิดโศก ประสบมากๆเข้าก็ครอบครัวนิรภัรยก็ออกมากข้างนอกแต่อย่าลืมนะฮะบางทีเนี่ยมันสูบเพราะเห็นศัตรูก็ได้ดีเกิดขับแค้นส่วนใหญ่มั็นยาขับแค้นความสูกรำรําไรรําพันเสียอกเสียใจเหมือนกันในส่วนใหญ่มั น, น, ามน ย, อยานนนออกมาในรูปรูขับขับแค้นใจที่บาคนที่เราไม่ต้องการให้ได้มันเกิดได้ ไอ้สิ่งที่เราต้องการได้มันเกิดไม่ได้ขึาา้นมาก็จะเกิดอาการคับแค้นขึข้นมาภายในใจเพราะนปัญหาใหญ่ในในเรื่องของตัณหาลักษณะตัณหาเนี่ยเลยมันก็กลายเป็นกระบวนการทางจิตถึงลองสังเกตนะฮะมันอาจจะมาจาก อะไรลักการกำหนดอารมณ์ในขะนะ น, นั้นเป็นอะไรอาญตนะคือเราได้เห็นแล้วก็เป็นผัสสะเกิดพอใจก็เกิดเป็นเวธนาเป็นสุขเวทนาแล้วก็อยากได้อยากครอบครองอยากถึงก็กลายเป็นตัณหาทีนี้ในการในกระบวนการตรงนี้เมื่อเราเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการสแสวงหาสแสวงหาเพื่ออะไรเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็น แต่ทีนี้ถ้าเราคุมตัะหาไม่ได้ตัะหามันมากเกินไปอ่ะการสแสวงหาจะออกมาในทางทุจริตอยากได้จนจนหน้ามืดแล้วก็ทุจริตอ่ะการสแสวงหามันจึงออกมาสองแนวเน้นึ่งเพื่อปัญหาฮะได้มาเทา่าไรยิ่งเพิ่มปัญหา โดยยุวิจิตพิสดารจริงๆเนี่ยท่นานอธิบายว่าการสแสวงหาอะไรก็ตามที่มันตกอยู่ในชรา ม, มนะัเนี่ยคือสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสแสวงหาในสิ่งที่ไม่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเราครอบครองเขาไม่ได้ครอบครองเขาไม่ได้ตลอดคือยังนึกถึงเรื่องวันเรื่องนะฮะพี่เขาสแสวงหากัน อย่างเช่นุทยศยศศักดิ์อาคตฐานต่างๆมีปีหนึ่งเนี่ยสังเกตเคือมาตามปกติเรื่องสัมมาศาส์เขาไม่ค่อยรู้เรื่องกันไม่เคยรู้เรื่องไม่่อยสนใจแม้แต่ยุคปีที่ตัวเองได้เนี่ยมีเพื่อนได้กี่คนเนี่ยก็จำไม่ค่อยได้ไม่่อยสนใจแต่ว่าปีหนึ่งมันค่อนข้างจะหวือหวามากแล้วก็อึดกระทึกเครือโค ม, มกระซิบกระซาบกันมากล้วก็ ลองสะดับต่อฟังข่าวดูนะฮะวันแปลกนะฮะคือบางทีนี่ได้ไปไปถึงวัดก็ตายแล้วตายเยอะเลยนะชุดนั้นนะ่ะตายกันห่างกันไม่เท่าไรตายตายตายป่อยๆอยอกมาเลยมันก็ลุกอื่นก็คงจะตายด้วยนั่นแหละแต่เราไม่ได้ติดตามแต่นั้นเนี่ยเติมแสดงว่าการครอบครองการอยากครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรก็ตายแลย้ว เราไม่อาจจะครอบครองได้ได้จริงแต่ว่าเราก็ยังดินน้นรนกระสันอยากเอาสมมติว่าอย่างนี้สมมติอย่างอาตมาในหกสิบเจ็ดใอยากเป็นอะไรก็ตามเราตีซะว่าสมมติอายุเราสักเจ็ดสิบห้าเนี่ยเจ็ดสิห้าเราเนี่ยเราหกสิบเจ็ดก็แสดงว่าเราเป็นอีกก็ไม่เกินแปดปีแล้วเราก็ตาย อาสมมตอยู่ไปถึงแปดสิบมานั่งนับไปเพื่อนกขฟังนับบอกว่าลงนับดูเถอะมันไม่ได้นานอะไรเลยอ่ะแล้วสิ่งที่เราควรทําอย่างยิ่งก็คือทําเป็นพระให้ดีที่สุดอะเป็นอย่างอื่นช่างมัน่ะเป็นไม่เป็นอะทําหน้าที่ของพระให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเพราะชีวิตข้างหน้านี่มันมีนิมิตมันมีเครื่องหมายอะไรเลยบางคนเนี่ยแต่งงานกันเอา้ายังไม่ส่งตัวเจ้าสาวตายจะ้ะ บางคนยังไม่ถึงพิธีแต่งงานนะฮะกำลังนั่งรถไปจากในพิธีแต่งงานที่ตายจากแล้วความตายเนี่ยมันเกิดง่ายเลยเกิดแต่ว่าคนไม่ค่อยมองในตัวสภาวะธรรมท่าอเราสังเกตเวทนาที่มันเป็นเหตุให้เกิดแต่นาเวทนามันปับป๊บปับป๊บปัป๊ปเนี่ยนะมันไม่ได้สุขตลอดหรือว่าทุกตลอดหรือว่ากลางๆอยู่ตลอด เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทียิบเลยไม่ว่าสุขว่าทุกข์ว่าไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามให้ดูที่เวทนาเวทนาแกไม่นิ่งเลยแกไหลยอย่กระตอ๊อบแต่แม้เราก็เกิดตัะหาตัะหานี่ยตั้หาอยากได้เวทนาเหล่านั้นเน่ะทั้งทั้งที่เห็นมันอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราก็อยากได้มันอีก หรือบางครั้งเนี่ยเราก็ศึกษาเรื่องเอาสมมติว่าเทวดาเนี่ยเทวดาจุติมาเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็แสดงว่าสวรรค์มันก็ไม่เที่ยงอะไรเอาพรหมจุติละพรหมก็ไม่เที่ยงอะไรใจจะไม่คว้าในลักษณะอย่างนั้นมากเกิดไปแล้วก็จะไปลดไอตัวตัว ส, ะสะตัตตตถิทิที่ถือว่าเที่ยงเนี่ยดูไปดูมาเอามันไม่่อยเที่ยงไม่เคยเที่ยงผมว่ายเทียบอุปกรลด ลถความอยากเป็นขึ้นมาอย่า ง, ง น, นี้ก็คือการมันก็ไม่เที่ยงคือกันในสุดก็จะบรรเทาความรู้สึกนึกคิดในแนวนี้ลงไปได้เพราะพวกนี้จึงโยงกันนะโยงกันว่าเราจับอะไรให้ได้จับหลักอะไรให้ได้สักอย่างและอย่างอื่นเราจะเห็นเราจะเข้าใจในิยต่างๆที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพราะในแนวของตัณหาเราจะเห็นว่าพอเสร็จแล้วในเราจะเห็นเป็นกระบวนนะฮะพอมันเกิดตัณแสวงหาถ้าสแสวงหาคุมได้ก็ดีถ้าคุมไม่ได้ทุจริตแต่ยังไงก็ทุจริตหรือทุจริตก็ตามก็จะมีการได้การสแสวงหาเสร็จแล้วก็จะได้พอได้ก็จะวินิจฉัยว่าเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราได้พอถ้าชอบมันก็เกิดตัหาต่อ เห็นไหมฮะถ้าไม่ชอบก็ปฏิเสธเกิดวิภาวะตัณหาพอชอบก็เกิดเกิ ด, เ ก, ดเกิดกา ร, รมตัณหาภวตัณหาทีนี้ชักยุ่งนะ่ะจิตมันตัณหามันดาน้ามาเป็นหน้ากระดาษมาเลยเสร็จแล้วถ้าเราชอบก็เกิดฉันธราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่พอวินิจฉัยเสร็จพอกำหนัดด้วยอำนาความใคร่ก็หมกมุ่นแล้วกำหนัดเพลิดเพลินนั่งดูนั่งโชมนั่งรูปนั่ ง, ง, งครลำอยู่เนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ หวงแหนเนี่ยไม่ต้องการในใครก็ได้ทีนี้อาการที่หวงแหนเนี่ยเพราะเพราะว่าใจมันหมกมุ่นอาศัยความหมกมุ่นพอพอหวงแหนปั๊บกะหีไม่ยอมให้คนอืน่นทีนี้พรจะนีก็กลัวคนอื่นจะมาแย่งก็มีการราาักษาป้องกันป้องกันทีนี้แหละเยอะเลยปัญหาต่างๆมีการจ้างคนมี การบาดระแวงมีการเข็นฆ่าทำลายล้างยื้อแย่งต่อสู้ปราดเปรื่องกันก็วุ่นปูนปวนกันหมดฮะเห็นไหมมาจากอะไรมาจากตัณหาอย่างเดียวเพราะตัณหาท่านจึงสอนให้บรรเทายังไงยังไงก็อย่าให้มันเกิดตัญหาเพราะตัณหาเนี่ยถ้ามากแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาแล้วก็ปัญหาในชีวิตนี้เองท่านจึงสอนให้บรรเทาบรรเทาตัณหาย่าให้ตัณหานำไปสู่ปัญหา ถึงแม้จะละตานาไม่ได้ก็ตาม ท, ทังฟังทัาไหลายแต่รมปฐมภูตยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมองงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี